พรตรายปิฎกฉบับประชาชนพรตรัยปิฎกเล่มห้าหมวดที่ห้าจำเปรยยักันธกะหมวดว่าด้วยเหตุการณ์ในกรุงจำปาการทํากรรมที่ไม่เป็นธรรมและที่เป็นธรรมภิกษุชื่อกัสปะโคดเป็นผู้เอื้อเฟื้อต่อภิกษุที่เป็นอาคันตุกะเมื่อมีภิกษุอาคันตุกะมา ก็ต้อนรับถวายความสะดวกด้วยประการต่างๆภิกษุที่มาติดใจพักอยู่ด้วยแต่เมื่อพักอยู่นานไปภิกษุชื่อกัสปะโคดก็ไม่ขวนขวายอาหารให้เพราะถือว่ารู้ทำเลบิณฑบาตแล้วถ้าขืนขวนขวายมากก็จะต้องรบกวนชาวบ้านเป็นการประจําภิกษุอาคันตุ ก, กะไม่พอใจสวดประกาศยกเธอเสจากหมู่ คือลงอุเคปนิยกรรมอย่างผิดๆเธอจึงไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลถามพระองค์ตรัสสั่งให้เธอกลับไปอยู่ที่เดิมส่งชี้แจงว่าภิกษุที่ลงโทษเธอนั้นทำไปโดยไม่เป็นธรรมเธอไม่มีอาบัตอะไรพวกภิกษุพวกที่ลงโทษร้อนตัวจึงมาขอขมาต่อสมเด็จพระบรมศาสดาพระองค์ประทานอาภัยแล้ว จึงทรงแสดงการทำสังฆกรรมที่เป็นธรรมและไม่เป็นธรรมหลายอย่างหลายประการพร้อมทั้งทรงกำหนดจำนวนสงฆ์ที่ทำกรรมดังนี้ 1. นงสงสีรูปทำกรรมทั้งปวงได้เว้นแต่การอุปสมบทการปรวรณาและการสวดถอนจากอาบัติสังฆาทิเศษแสดงว่ากะถินก็ใช้สงสีรูปได้แต่อัตถกถาแก้ว่ากถินต้องห้ารูป ซึ่งปรากฏในอัตกถาเล่มสามหน้าส1 0เมื่ออัตกถาแย้งกับบาลีจึงต้องฟังทางบาลี 2. สงห้ารูปทำกรรมทั้งปวงได้เว้นไว้แต่การอุปสมบทกุลบุตรในมัธยมประเทศและการสวดทอนจากอาบัติสังฆาทิเศษส 3. สงสิบรูปทำกรรมทั้งปวงได้ เว้นแต่การสวดถอนจากอาบัติสังฆาทิเศษสสงฆ์ยี่สิบรูปทำกรรมทั้งปวงได้ 5. สงฆ์เกินยี่สิบรูปขึ้นไปทำกรรมทั้งปวงได้แต่ทุกข้อนี้ต้องประชุมพร้อมเพรียงกันโดยธรรมถูกต้องตามพระวินัยครั้นแล้วสงอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับสงฆ์สี่รูปห้ารูปสิบรูป ยี่สิบรูปซึ่งทำกรรมต่างๆกันโดยพิสดารโอเคปนียกรรมยกจากหมูครั้นแล้วส่งแสดงหลักการลงโอเคปนียกรรมคือการสวดประกาศยกเสียจากหมู่ไม่ให้ใครร่วมกินร่วมนอนหรือคบหาด้วยว่าจะทำได้ในกรณีที่ไม่เห็นอาบัตไม่ทำคืนอาบัตไม่สละความชั่วที่เห็น ต่อจากนั้นทรงอธิบายการทำกรรมที่เป็นธรรมและไม่เป็นธรรมแก่พระอุบาลีตัดชนียกรรมการข่มขู่ทรงแสดงหลักการลงตัดชนียกรรมคือการสวดประกาศลงโทษเป็นการตำหนิภิกษุผู้ชอบหาเรื่องก่อการทะเลาะวิวาสก่ออธิกรณ์ขึ้นในสงฆ์ นิสยกรรมถอดยศหรือตัดสิทธิ์ทรงแสดงหลักการลงนิสยกรรมคือการถอดยศหรือตัดสิทธิ์ที่แก่ภิกษุผู้มากด้วยอาบัติคลุกคลีกับคารืหัดในลักษณะที่ไม่สมควรปรับภาชนิยกรรมขับไล่ทรงแสดงหลักการลงปรับภาชนิยกรรมคือการไล่เสียจากวัด แก่ภิกษุผู้ประจบคฤรพหัดคือยอมตัวให้เขาใช้มีความประพฤติชั่วปฏิสารณียกรรมขอโทษคฤรพหัดทรงแสดงหลักการลงปฏิสารณียกรรมคือการให้ไปขอโทษคฤรพหัดแก่ภิกษุผู้ด่าบริพาธคฤรพหัด ครั้นแล้วส่งแสดงวิธีระ ง, งับการลงโทษทั้งห้าประการนั้นรายการพิสดารเรื่องนี้ยังจะมีในพระไตรปิฎกเล่มหกตอนกรรมมทันต ก, กะว่าด้วยสังฆกรรมเกี่ยวด้วยการลงโทษ